ขออกาสท่านอาจารย์จเจริญพรทุกทุกท่านนะหลวงพ่อเขามาเทศที่นี่หลายรอบแล้วปกติถ้าไปเทศซ้ำๆกันสักช่วงหนึ่งคุณภาพพวกเราจะเปลี่ยนคนที่ฟังฟังซ้ำๆสักสองสามรอบเป็นไปฟังทีเดียวก็เข้าใจยากหน่อย เราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วนะต่อไปเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงๆเราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองเราไม่ได้แต่งเครื่องแบบพระเนี่ยเราเป็นขรวาดนี่แหละใจของเราพอนาถึงฉีดนั้นใจเราเป็นพระขึ้นมามีหูมีตานะกายทิพย์ก็เป็นพระนะเนี่เฉพาะ ตัวเราเป็นคลาวาสเนี่ยแต่ใจมันเป็นพระเวลาบางคนทำสมาธิถอดกายทิ่ออกมาได้ด้วยกายทิ่เป็นพระ เ, เรื่องนะั้นไม่สาคัญสาคัญที่ว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่รู้พ่อสอนแล้วนะต่อไปเราไปอ่านพระไตรปิฎกก็จะรู้เรื่องฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็จะรู้เรื่อง สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะมันเป็นแก่นสารสาระแท้ๆเลยของการปฏิบัติไม่ใช่แค่รูปแบบของการปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันนะเขาสอนรูปแบบของการปฏิบัติให้นั่งแบบนี้ให้เดินแบบนี้นะกินต้องกินท่านี้ทำอะไรต้องมีท่าอย่างนน้นท่าอย่างนี้ใ น, น, น, นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเป็นเรื่องของจิตใจถ้าจิตใจมันมีสตินะ กิริยาอาการอะไรต่ออะไรนะทางกายทางวาจาอะไรนะมันเปลี่ยนไปหมดะมันจะไม่ดูร้ายกระหายเลือดเหมือนแต่ก่อนหรอกเราจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนตัวเองได้เราจะค้นพบสิ่งที่มีสาระในชีวิตของเราคนทั่วๆไปก็อยากได้ของดีของพิเศษ ท่านที่ร่นหากันหาเท่าไหร่กันมันก็ไม่ได้อย่างใจหรอกแต่เรามาพอนานะเราจะรู้เลยว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระเราจะเอาของไม่มีสาระหรือหรือจะเอาของมีสาระธรรมะนั้นมีสาระนะธรรมะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์มีของมีสาระอะไรบ้างที่ไม่เป็นสาระก็ขันห้ารูปนามกายใจของเรานี่ไม่ใช่ของที่มีสาระ ร่างกายเนี่ยเป็นของอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็แก่ไม่นานก็เจ็บไม่นานก็ตายหาสาระอะไรที่แท้จริงไม่ได้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีสาระคนทั้งหลายวิ่งหาความสุขกันแทบตายวิ่งหนีความทุกข์กันแทบตายได้ความสุขมามันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปละเพราะฉนั้นความสุขที่เหน็ดเหนื่อยในกะารไปหา ม, มานะ่ยไม่ใช่สาระสําคัญไม่ใช่ของวิเศษจริงเพลินเป็นของอยู่ชั่วคราว บางคนก็วิ่งหาความปรุงแต่งฝ่ายดีวิ่งหนีความปรุงแต่งฝ่งายชั่วเกลียดกิเลส ร, รักกุศลอยากได้กุศลเกลียดกิเลสที่จริงทั้งกุศลทั้งกิเลสนั้นก็เป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ทําชั่วนะทําชั่วไม่ได้หรอกเรามีสติ เมันย้อมใจเราไม่ได้ศีลสมาธิปัญญามันเกิดพอกปูนขึ้นทุกวันทุกวันทำชั่วไม่ได้หรอกเราเห็นเลยสิ่งทั้งหลายไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ของที่คนในโลกเขาว่าดีวิเศษที่สุดเลยก็คือตัวเราเองเนี่ยตัวเราตัวเราแยกออกไปร่างกายร่างกายก็ไม่มีสาระมีแต่ตัวทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมานะไม่ล้างหน้าไม่อาบน้าแลวก็โสบโมบกมอมแมม ไม่ขับถ่ายร่างกายก็แย่เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเนี่ยของดีที่คนเขาห่วงกันแย่งกันนะผู้ชายกับผู้ชายตีกันแย่งสาวสวยไปแยกของไม่มีสาระของที่อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปสมัยพุทธกาลก็มีนั้ผู้หญิงสวยมากเลยเป็นโสเภณีโสเภณีไม่ใช่คําดูถูกนะโสเภณีหมายถึงผู้หญิงที่ สวยประจําบ้านประจําเมืองเลยใครจะไปอยู่กับผู้หญิงสักคืนหนึ่งเนี่ยเสียเงินมหาศาลเลยต่อมาผู้หญิงเนี่ยเกิดตายปุบปับตายเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเผาศพให้เพราะว่าเป็นคนสําคัญคนหนึ่งของบ้านเมืองก็ส่งข่าวไปบอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเย่าเพิ่งเผานะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวท่านจะไปงานด้วยตกเย็นท่านก็ไปงานศพ ท่านประกาศเลยผู้หญิงคนนี้แต่เดิมมีค่าตัววันละแสนนะตอนนี้ใครเอาไหมคืนนี้หมื่นเดียวเนี่ยท่านเปิดประมูลนะไม่เอาเอาพันหนึ่งเอาไม่เอาให้ฟรีเลยเอาไปอยู่ตลอดเลยนะไม่ต้องคืนเดี๋ยวไปอยู่ตลอดการเลยไม่เอาเพราะฉความจริงมันฟ้องตัวมันเองละที่ว่าร่างกายนี้สวยงามเหลือเกินเป็นที่ปรารถนา ของผู้คนมากมายยอมทุ่มเทเงินนะถึงจุดหนึ่งนะแค่มันไม่หายใจแนละ้วยกให้ก็ไม่มีใครเอาแล้วเพราะจริงๆแล้วมันหาสาระไม่ได้จิตใจของเรานะจะสุขหรือจะทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวหาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีความชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะ จิตใจของเราล่ะที่เราว่าตัวเราตัวเราไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเนี้ยลึกลงไปมันก็คือตัวจิตตัวใจของเรานีเองตัวจิตตัวใจเองนะก็หาสาระไม่ได้มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เตี้วเตอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกก็ไม่ได้นะจะสั่ง ให้จิตใจนี้ดีตลอดก็ไม่ได้สั่งว่าอย่าไปคิดอะไรมากนะให้คิดแต่เรื่องดีอย่าไปคิดเรื่องชั่วมันก็จะคิดชั่วๆสั่งว่าอย่ากโกรธนะมันก็โกรธสั่งว่าอย่าโลภมันก็โลภสั่งให้ขยันภาวนามันก็ขี้เกียจเนะีมันจะทําอะไรมันไม่ได้เลยงั้นเอาเข้าจริงนะในขันห้าในร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยเป็นของที่ยังหาสาระแก่นสารที่แท้จริงไม่ได้ไม่ต้องนับภาษาอะไรกับของที่นอก ขันห้านอกกายนอกใจนี่ออกไปอย่างทรัพย์สมบัติเนี่ยบางคนหาเงินแทบตายเก็บเงินไว้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ค่อยได้ใช้เก็บเงินเอาไว้นะหวังว่าแก่ๆแล้วจะได้ใช้ไม่ได้ทันแก่ก็ไม่ได้ใช้เลยนะตายซะก่อนหรือว่าแก่แล้วก็ไม่มีปัญญาใช้เงินแล้วนอนขมล้นขมิ้นอยู่นะทําอะไรก็ไม่ได้ทรัพย์สมบัติสุดท้ายคนอื่นเขาเอาไปหมดเลยกระทั่งร่างกายที่เป็นทรัพย์สมบัติจําเป็นของเราเขาเอาไปเผาทิ้งอีก เนี่ยทรัพย์สมบัติมันก็ไม่อยู่กับเราบ้านช่องอุตสาส่งบ้านแทบตายอยู่ได้ชั่วคราวกลายเป็นของคนอื่นต่อไปละชื่อเสียงเกียรติยศก็เหมือนกันมีชื่อเสียงเกียรติยศไม่นานคนเขากลืมหาสาระแก่นสารไม่ได้บางคนอยากดังแย่งกันดังแย่งกันมีชื่อเสียงสุดท้ายก็คนเขากลืมไม่เห็นจะมีอะไรสักอย่าง แย่งกันนะแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายนะเห็นว่าครอบครัวเราเนี่ยสาคัญมากสุดท้ายอย่างบางคนยุคของเราเนี่ยถ้าคนแก่ๆอย่างหลวงพ่อนะสมัยเด็กๆในบ้านเนี่ยคนเยอะเป็นครอบครัวที่อยู่กันเยอะแยะเลยปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอยู่กันเต็มบ้านเลยอบุนมาถึงวันนี้ดูสิครอบครัวที่เอาเป็นสาระอะไรไม่ได้เลยพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทาง ถึงวันหนึ่งลูกก็แยกออกไปแยกไปเรียนหนังสือบ้างทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้บ้านหรือไปทํางานที่อื่นแต่งงานไปอยู่ที่อื่นทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้อยู่กันสองคนต่อมาตายไปคนหนึ่งอยู่คนเดียวในครอบครัวไม่มีละเหลือคนเดียวละมันไม่เป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรของใครได้เลยเห็นไหมกระทั่งกายกรใจของเรานะชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สมบัติครอบครัวนะ หน้าที่การงานของเรานี้เป็นของอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงเราจะมัวแต่สแสวงหาของซึ่งไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเราควรจะสแสวงหาของที่มีสาระแก่นสารดีธรรมะนั้นมีสาระแก่นสารถ้าเราเข้าใจธรรมะใจเราเข้าถึงกระแสธรรมลยิ่งแก่นะยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่ย ไ, ไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งเหงายิ่งแก่ยิ่งว้าเว่ ถ้าใจเข้าถึงทำเมื่อไรนะทั้งร่างกายแก่ใจไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บใจก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนพรัดพรากจากคนที่รักพรัดพากจากทรัพย์สมบัติที่หวงแหนก็ไม่เดือดร้อนอะไรเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่สบายใจก็ไม่เดือดร้อนอะไรเนื่ยใจของเราเนี่ยถ้าฝึกให้ดีนะมันเข้าใจธรรมะขึ้นมาแล้วเนะี่ย มันจะมีความสุขจิตใจที่มันฝึกดีแล้วมันมีความสุขมันได้สาระได้แก่นสารที่แท้จริงของชีวิตเรามีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงอย่างเราจะเอาความหนุ่มความสาวของเรามาเป็นที่พึ่งเป็นไม่ได้มันอยู่ชั่วคราวนจะเอาทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งมันก็สมบัติของกลางไม่วันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นครอบครัวเราวันหนึ่งมันก็ไปกันหมดนะชื่อเสียงเกียรติยศวันหนึ่งคนเขาก็ลืมเนี่ย แต่คนน่ยแย่งกันแย่งสิ่งเหล่านี้กันเขาคิดว่าเป็นของดีของพิเศษไม่รู้ว่ามันมีของดีเหนือกว่านั้นของดีที่เหนือกว่านั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานี่เองท่านสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะเราเรียนรู้ลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนี้ให้มากถ้ากายกับใจนี้เราเข้าใจมันแล้วนะมันปล่อยใจมันไม่ยึดถือ ถ้ามันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะของในโลกเนี่ยมันไม่ยึดเลยบ้านช่องห้องหออะไรมันก็ไม่ยึดลูกเมียรทรัพย์สินเงินทองอะไรมันก็ไม่ยึดนะสิ่งเหล่านั้นเป็นของอาศัยเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองนะอย่างถามว่าพระอรหันต์เนี่ยดูแลร่างกายไหมพระอรหันต์ดูแลร่างกายทําดูแลไปทําไมไม่ยึดถือแล้วดูแลมันทําไมนะอย่างคนคนงานของเราคนใช้ของเราเนี่ย ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่เราต้องดูแลหัหยเรามีคนงานเราหาให้เขากินข้าวใช่มมีเงินเดือนให้แล้วเขาได้ไปซื้อข้าวกินซื้อเสื้อมาใส่หาบ้านไปอยู่นะเจ็บป่วยก็มียารักษาเราถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็ต้องดูแลลูกจ้างอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ทำงานให้เราพระอรหันต์ก็เหมือนกันท่านมองร่างกายเนี่ยเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งเท่านั้นเองอาศัยเขาอยู่ เราต้องอาศัยเขาเหมือนกันไม่ใช่เขาอาศัยเราข้างเดียวนะเราอาศัยเขาทําอะไรอาศัยเขาสร้างคุณงามความดีอาศัยเขาไปช่วยเหลือสังคมช่วยประกาศศาสนาอะไรเนี้ยหรืออย่างถ้าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เราก็ต้องอาศัยร่างกายเนี้ยอาศัยไปทําอะไรอาศัยมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นร่างกายเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเราก็ต้องอาศัยเขา บ้านเราก็เป็นต้องอาศัยมันอยู่ใช่ต้องอาศัยบ้านอยู่เจ็บป่วยก็ต้องอาศัยยาเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยก็มีประโยชน์นะจำเป็นต้องมีแต่ไม่ใช่ตัวชีขาดหรอกไม่ใช่ของสำคัญที่สุดนะของที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือต้องเป็นของที่มันคงที่นะเป็นอมตะไม่ใช่ของเสื่อมอย่างฉับรันธรรมะนั่นแหละจะนเราเข้าสู่ความเป็นอมตะได้ร่างกายแก่ ใจก็ไม่ให้หวั่นไหวนะร่ากายเจ็บร่างกายตายพลัดพลากจ า, า, ากสิ่งที่รกักเจอสิ่งที่ไม่รกักใจไม่หวั่นไหวใจมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานร่าเริงอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องคอยดูแลด้วยนะไม่ต้องดูแลด้วยถ้าอย่างพวกเราบางคนไม่บางคนละ่ะสังเกตดูของทุกคนในที่นี้แหละนะก็ต้องคอยดูแลจิตใจทําไม่ดูแลแล้วมันเหลวไหลใช่ไหมแต่ถ้าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะไม่ต้องดูแลเลย ยังไงมันก็ไม่ชั่วอย่าว่าแต่ชั่วเลยนะชั่วเข้ามาปรุงใจไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกดียังเข้ามาปรุงใจไม่ได้เลยนะทั้งดีและชั่วเข้ามาปรุงแต่งไม่ได้เลยมันพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนั่นเป็นอิสระเมตตัวของตัวเองนะมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความเต็มอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอะไรเลยถ้ายังต้องดูแลต้องรักษาอยู่ยังมีงานที่ต้องทาอยู่ นะถ้าจบกิตแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษามันดีของมันโดยอัตโนมัติไปแล่วจะว่ามันดีมันก็ไม่เชิงนะมันเลยดีไปก็ดีมันของไม่เที่ยงนะเนี่ยเราค่อยฝึกนะสิ่งที่พระเจ้าสอนนะจะนำเราไปสู่สิ่งซึ่งมันคงที่เป็นความสุขที่เป็นอมตะไดนะ้โลกนี้เราอาศัยอยู่ชั่วคราวนะเราเพึ่งพาในโลกนี้นะเราก็ดูแล ทำประโยชน์ไปใช้ประโยชน์จากร่างกายนะเขาก็ดูแลร่างกายใช้ประโยชน์จากจิตใจเรานะภากรายภาใจภาวนานก็ดูแลจิตใจด้วยคอยดูแลมันมีสติคอยรักษาไว้เรื่อยเรืเหมือนมีครอบครัวก็ต้องดูแลไหมมีสมบัติก็ต้องดูแลมีชื่อเสียงก็ต้องดูแลมีอะไรก็ต้องดูแลทั้งหมดแหนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยนะต้องรู้ว่าเป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่ของที่ขาดไม่ได้ ของจาเป็นจริงๆก็คือธรรมนั่นเองนี่ทำไงใจเราจะเข้าถึงธรรมใจเราจะเข้าถึงธรรมจะไปหาที่ไหนแท้จริงธรรมะอยู่กับเรานี่เองอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองธรรมะตัวจริงไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เรามองไม่เห็นเพราะใจของเราไม่คู่ควรกับธรรมะใจเรามันมีกิเลสกิเลสเกิดขึ้นนะใจมันก็เศร้าหมองขุ่นมัวใจเต็มไปด้วยความอยาก ทันทีที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นมองนิพพานไม่เห็นหรอกเพราะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากเนะี่ยไปวาดภาพนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งนะหลังๆเนี่ยชาวพุทธเราไปวาดภาพนิพพานเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็สร้างบ้านไว้อยู่หัวถนนทับนะบ้านพระพุทธเจ้าใหญ่หน่อยมียอดแหลมๆด้วยนะนะทำไมพระพุทธเจ้าต้องอยู่ประสานแบบคนไทยนะอยู่ประสานแบบขเขมรไม่ได้เหรอ อยู่แบบฝรั่งไม่ได้เหรอนีคือใจนะมันสร้างขึ้นมาสร้างภาพต่างๆขึ้นมา น, นี้ผ่านตัวจริงก็คือสภาวะาที่มันสิ้นทุกข์สิ้นความปรุงแต่งสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะสิ้นความทิ้นรนสิ้นความผิวใจของเราหิวตลอดเวลาภาวนา ม, มาถึงวันนี้เห็นหรือยังว่าใจหิวตลอดเวลาอยากโน่อนอยากนี่ตลอดเวลาใช่ไหมเพื่นได้ยินว่าหลวงพ่อเจริญเทศก็อยากมาฟังตำ ตอนจะอยากมาท่าฟังธรรมขึ้นเขามาเห็นเขามีของกินอยากกินอีกแล้วทางๆกินมาแล้วนะอย่างๆอีกนะใจมันอยากมกแวกมแว๊กไปเลยนะมานั่งฟังเทศอยู่สักพักหนึ่งอยากกลับบ้านนะอยากนอนอย่าเนี้ใจมันถูกลากไปเลยใจมันหิวใจมันหิวอารมณ์นะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายนะอยากคิดนึกทางใจพออากาศร้อนเนี่ยอยากเย็น ถ้าลมโชยมาเย็นถูกใจอากาศเย็นแลลมพัดมาไม่พอใจนะอยากให้ลมจุดกรนะทั่งดินฟ้าอากาศเราก็ยังไปอยากยุ่งกับเขาอีกนะน่าสงสารมากเลยกลัแผ่นดินไหวไหมคนเชียงรายไหวแน่นอนนะเพราะเรามาสร้างบ้านอยู่ตรงรอยเลื่อนของแผ่นดินพอดีนะสมัยก่อนนะเมืองทั้งเมืองนะจมลงไปแล้วเคยจมมาแล้วแถวนี้นะ จะจมไปแล้วมันไม่แน่นอนเย้าว่าแต่ชีวิตเราไม่แน่นอนนะแผ่นดินตรงนี้ยังไม่แน่นอนเลยไม่รู้ว่ามันจะจมเมื่อไหร่นี่อะไรๆอาศัยมันไม่ได้จริงแต่อาศัยได้ชั่วคราวไม่ใช่ของที่จะฝากเป็นฝากตายกับมันเพราะั้นพยายามนะอย่ามายกระดับใจของเราเห็นมาก็จะมายกระดับใจของเราต้องมาพัฒนาเครื่องมือในการที่จะพัฒนานะมาอบรมตัวเอง ให้มีศีลอบรมตัวเองให้มีสมาธิที่ดีอบรมตัวเองให้เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาได้เนี่ยถึงจะเกิดมรรคผลได้ถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เกิดปัญญามีแต่ศีลมีแต่สมาธิไม่ปล่อยวางหรอกคนถือศีลจะเซลจัดไปใช่ไกูดีกูเก่งคนอื่นไม่ถือศีลสู้กูไม่ได้คนสมาธิดีก็กูเก่งอีกแล้ว้คนปัญญาดีกูกูไม่มี ไม่มีมีแต่อะไรมีแต่ขันมีแต่ขันมีแต่ธาตุมีแต่ทุกข์เห็นแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากปัญญาไม่เกิดนะมรรผลไม่มีผลทุกข์ไม่ได้มีแต่ศีลมีแต่สมาธิไม่มีปัญญาไม่พอแต่จะมีปัญญาโดยไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ไม่ได้ศีลน่ะเป็นบาดเป็นฐานรองรับให้ใจนี้มีสมาธิง่ายสมาธิน่ะ เป็นบาทเป็นฐานรองรับนะเพื่อกูลให้ใจเกิดปัญญาเนะี่ยมันรองกันขึ้นไปเป็นชั้นชั้นนะถ้าสังเกตให้ดีพระพุทธรูปส่วนมากก็ทำฐานสามชั้นนะองค์นี้กี่ชั้นหนึ่งสองสนะส่วนมากก็ทำอย่างนั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของศีลสมาธิกับปัญญาการที่จะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญานะหลวงพ่อพสอนไว้เยอะมหาศาลนะขั้นแรกสุดเลยต้องฝึกสติให้ได้ก่อน ถ้าขาดสติตัวเดียวนะศีลก็ไม่มีสมาธิก็าหายปัญญาก็หดนะไม่เหลืออะไรเลยสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นยังไงสติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นสติคอยรู้ทันเนี่ถ้าจะให้ดียิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปต้องเป็นสติระดับที่เรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติทั่วไปเนี่ยมันรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งหมดเลย ตสติปัฏฐานเนี่ยรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้กายรู้ใจนะที่จะเรียกสติปัฏฐานเนีย่ยสติที่พวกเราต้องฝึกเนี่ยต้องฝึกสติปัฏฐานไม่ใช่ฝึกสติธรรมดาอย่างตามถนนนะบางทีก็มีป้ายขับรถให้มีสตนะิมีป้ายนะขายเหล้าขายเบียร์เคยเห็นไหมป้ายขายเหล้าขายเบียร์บางทีใหญ่ๆมากเลยนะแล้วก็เติมท้ายไว้หน่อยดืย่มสุรา ท, ทาให้ขาดสติก็รู้อยู่แล้วามาขายทําไมนะ ยจะมาทายให้คนขาดสติธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วนะไอนะ้อยางนั้นสติโรคโลกนะไม่เมาเหล้าก็าขับรถไม่ตกถนนไม่เมาเหลา้าขับรถไม่ไปชนกับคนอื่นไนะอ้นั่นสติอย่างโลคโลกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานหรอกนะสติที่จะพาเราไปมรรคผลนิพพานต้องเป็นสติพั้ฐานสติที่รู้รูปสติที่รู้นามนะรู้กายรู้ใจของเรานี้แหละงั้นเราต้องฝึก สติเกิดได้ จ, จากอะไรสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจมันจะรู้ได้นะถ้าเราฝึกที่จะรู้บ่อยๆงั้นทุกวันควรจะต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอากายเป็นฐานก็ได้เอาเวทนาคือความสุขทุกข์เป็นฐานก็ได้เอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นฐานก็ได้นะ ทำกรรมฐานในสติปัฏฐาน4ี่กายเวทนาจิตธรมแต่ทำยังไม่ได้แนะนําให้เพราะมันประณีตลึกซึ้งมากไม่ว่าเราจะเดินกายเวทนาหรือจิตนะสุดท้ายก็เข้าทำเหมือนกันหมดโดยเฉพาะทำท่อนสุดท้ายนะบับสุดท้ายคืออริยสัจไม่ว่าจะเดินในมุมไหนนะจะดูจากเริ่มจากกายจากเวทนาคือสุขทุกข์แล้วเข้ามาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลสุดท้ายก็รู้แจ้งอริยสัจ ถ้าไปทมานุปัสสนาตัวสุดท้ายได้เหมือนมือนกันหมดะนี่พวกเรายัางบา ร, รมีสติปัญญาเนี่ยคงไม่ถึงที่จะไปสตาร์ทไปเริ่มต้นที่ทมานุปัสนายากเราเล่นเล่นของง่ายๆก่อนร่างกายเราเนี่ยทุกคนยิ้มสิยิ้มหวานๆนะยิ้มยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มไม่ต้องดูกระจกหรอกรู้สึกเอา ใครรู้สึกว่าร่างกายพยักหน้าบ้างเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้านหายใจอยู่ตอนนี้หายใจอยู่ไหมเห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องที่ลมนะดูกายทั้งตัวเนี่ยเราจะได้ต่อขึ้นพัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นต่อไปเลยถ้าไปจ้องที่ลมหายใจจะได้สมาธิชนิดสงบถ้าจ้องที่ลมหายใจนะหลวงพ่อใต้เด็กนะฝึกอนาันาสติ จับอยู่ที่ลมหายใจหายใจไปจิตสงบนะลมมันดับมันกลายเป็นแสงมันกลายเป็นแสงและอยู่กับแสงนะเล่นแสงเด็กได้ใหญ่ได้นะมีปีติมีความสุขอะไรต่างๆไม่มีสาระอะไรเท่าไหรนะ่ลองฝึกใหม่แทนที่จะไปจ้องลมนะเห็นร่างกายหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายยิ้มเมื่อกี้เนี่ยลองยิ้มใหม่ลองยิ้มอีกทีสิยิ้มหวาน เราลองทำหน้าบึ้งสิเหมือนโกรธเหมือนหลวงพ่อมาด่าเราโกรธแล้วดูสิหลวงพ่อด่อย่างหน้าตะเลนอีกเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมตัวอะไรหัวเราอเห็นไหมร่างกายเป็นหัวเราอเนี่ยดูอย่างเนี้ยนะเนี่ตอนนี้มันไม่ได้หัวเราะมันไม่ได้ยิ้มม น, นั่งเฉยๆอยู่ดีๆไปนั่งยิ้มยิ้มไปเรื่ยนะเดี๋ยวคนเขาจับส่งโรงพยาบาลบ้านะงั้นตอนเนี้เราไม่ได้ไม่ได้ยิ้มไม่ได้หัวเราอไม่ได้อะไรนะ เราหายใจไหมขณะนี้หายใจไหมหายใจเนี่ยเราก็ดูดูร่างกายหายใจเหมือนที่ดูร่างกายยิ้มอะใช้แบบเดียวกันนะหรือหายใจแล้วมันดูยากนะก็ขยับมือเล่นใครก็ถามว่าทําอะไรโอ้ยเอ็กซ์ไซส์แก้ข้อติดแก้นิ้วติดนะป้องกันเพราะเล่นลน์มากไปนะขยับขยับเนะี่ยขยับไปเราก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะฝึกไปหนะ้าของสําคัญนะเออ เห็นร um, mm. ่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมมันนั่งแล้วมันก็กระดุกกิกไปเรื่อยๆร่างกายขยับให้รู้ร่างกายอยู่นิ่งก็รู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนถ้าหัดรู้สึกไปเลยต่อไปนะพอเราหัดรู้สึกบ่อยๆนะร่างกายกระดุกกริอะไรเนี่ยไม่เจตนาจะรู้สึกมันก็รู้สึกเอง ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกได้เองเนี้ยสติเกิดแล้วลองพยักหน้าอีกทีซิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ า, อาลองยกมือหน่อยยกมือหน่อยทำไมต้องให้ทำโน้นทานี้ก็เพิ่งกินข้าวนะเขินฟังเทศรวดเดียวคุหลับเท่านั้นเองนะนะกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไหมบอกแค่ให้ยกมือคราวนี้ยังกระลิงนะถ้ามาอยู่ตรงนี้จะเห็นเลไม่ผิดกรลิงเลยนะบางคน บอกให้ยกมือเฉยๆนะบางคนนะบางคนแทบจะพัดเดียวไม่พอแนละ้วอยากจะสองพัดนะสองอันจะขายอะไรนะกระสือนะหัวเราะรู้สึกั้มเห็นร่างกายหัวเราะไหมเนี่ยฝึกดูไปเรื่อยนะฝึกอย่างเนี้ยนี่เอากายเป็นฐานนะใช้กายเป็นฐานร่างกายขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกแล้วต่อไปเนี่ย พอมันฝึกไปากมากๆเข้านะถึงจุดหนึงนะร่างกายกระดุกกระดิกเนะี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้สึกเองโดยไม่ได้เจตนารู้สึกตรงที่รู้สึกโดยไม่เจตนารู้สึกนี้เรียกสติชั้นดีเกิดละถ้ายังต้องตั้งใจรู้สึกเนี่ยสติชั้นเลวนะยังยังใช้อะไรไม่ค่อยได้จริงอนะ่ะนี่หัดไปหัดนะไปหัดทำพวกเรามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยนานละมันเริ่มกลั่นกลองนะ พวกที่เหลือเนี่ยเริ่มครีมขึ้นทุกทีแล้วคล้ายๆเข้มข้นขึ้นเลยได้พวกที่เรียนไม่ไหวก็หายไปตกหล่นไปแต่ไม่ต้องไปสงสารเขานะเขาตกหล่นไปไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ยังมีอีกเดี๋ยวเขาก็ไปเรียนจนได้แหละเท่าส่วนพวกเราเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็ไปก่อ น, นไม่ต้องไปรอเขานะไม่ต้องไปรอใครหรอก <c oughs> บางคนสาบานกับสามีรักกันมาก บอเราจะไปนิพพานด้วยกันนะสามียังกินเหล้าเจ้าชู้ไม่เลิกเลยเอ้เราข้าวัดทุกวันไม่จะไปด้วยกันได้ยังไงอะ่นะทางใครทางมันนะเส้นทางนี้เส้นทางของคนที่เดินคนเดียวได้พวกอ่อนแอต้องไปเป็นฝูงเป็นปกลุ่มไปไม่ได้ตัวอะไรอยู่กันเป็นฝูงพวกสัตว์ทั้งหลายนกเนี่ยตอนสังเกต ด, ดูมันบินฝูงใหญ่ๆบินตามหัวหน้ามันไปหัวหน้ามันฉลาดก็พาไปหากินหัวหน้าโง่ก็พาไปโดนจับพวกเรา ไปด้วยตัวของเราเองนะเรียนธรรมะแล้วก็ไปด้วยตัวเองฝึกสติไว้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะฝรั่งเนี่ยชอบจ้องลมมากไปนะปจ้องที่ลมหายใจนะหเห็นร่างกายหายใจนะหเห็นร่างกายเป็นหายใจไปพวกเราไปดูฝรั่งลืมตัวเองนี่ไม่ได้เรื่องเหมือนกันอนะนะแปลกนะหลวงพ่อดูนะเวลนะเทศ ว่าเรื่อยเลยรู้สึกไหมแต่ลูกศิษย์ไม่ค่อยกลัวหน้าทะเลน่นทะเลเมื่อคนสงสัยว่าสอนกรรมฐานอะไรว่าคนหัวเราเป็นเกี่ยวกล่าวก็เลือกอะไรต้องสอนให้เครียดละ่ะความเครียดที่เป็นสภาวะจิตเป็นอกุศลนะถึยจะเครียดนะจิตที่เป็นกุศลนนะร่าเริงร่าเริงเบิกบานแต่ไม่ใช่ร่าเริงกระดีกระด้านะะกะดีกระดาจิตมีโลภะร่าเริงด้วยกระแสธรรมะเนี่ยจิตเป็นกุศลตัวจริงเลย จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีเวทนาหรือความรู้สึกทางใจนี่สองอย่างไม่มีความสุขนะก็อุเบกขาอุเบกขาแบบนุ่มนวลไม่ใช่อุเบกขาแบบแข็งกระด้างแต่อุเบกขาแข็งแข็งอุเบกขาอะไรก็อุเบกขาตลอดนะอุเบกขาอย่างนี้ไม่เอานะ <c oughs> มันผิดธรรมชาติเราต้องการเห็นอะไรเห็นว่ากายนี้ใจนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราไปรักษาให้มันนิ่งทื่อๆอยู่ไม่ได้กินหรอกไม่ไปเห็นความจริงได้ไงเห็นใจรักได้ไงอ้าวยิ้มอีกทีหนึ่งเทศแล้วต้องยิ้มเบรกเพราะว่าใจลอยไปยิ้มพอสมควรแล้วนะจำได้ยังเวลารู้ลมหายใจทำยังไงเห็นร่างกายหายใจจำไหมนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเหมือนที่เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอน เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งเวลาที่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจใครเป็นคนเห็นใจเราเป็นคนเห็นเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแต่เป็นจะค่อยๆสังเกตใครเป็นคนรู้สึกใจมันเป็นคนดูอยู่กายกับใจมันจะแยกออกจากกัน จะเป็นวิธีที่จะแยกกายแยกใจ ấy, ง่ายๆเลยเป็นธรรมชาติมากเลยในความเป็นจริงเนะีร่างกายจิตใจหรือขันทั้งหลายของคนทั้งหลายนะมันแยกอยู่แล้วมันแยกเป็นส่วนๆอยู่แล้วคำว่าขันน่นแปลว่าส่วนงั้นไม่ว่าใครที่ว่ามีขันหคือมันมี5้าส่วนมันแยกอยู่แล้วนะแต่เวลาที่เกิดกิเลสขึ้นมาหรือเกิดความจงใจจะปฏิบัติขึ้นมาเราจะไปรวบกันเข้ามา กลายเป็นเราขึ้นมาไปรวมขัน5เข้ามาเป็นตัวเดียวนะรวบพข้มาเป็นอันเดียวกันแล้วกลายเป็นเรางั้นเวลาคนที่อยู่เฉยๆนะคนที่สบายใจเฉย ๆ, ๆไม่ได้มีกิเลสรุนแรงแล้วก็ไม่ได้จงใจปฏิบัตินะขันมันแยกอยู่แล้วนะเมื่อไม่กี่วันนี้หลวงพ่อไปนั่งรถไปนะเป็นนั่งอยู่ที่ร้านดิมถนนแห่งหนึ่งเห็นฝรั่งเดินมาเนี่ยต้องกีฟฝรั่งด้วยเพราะวันนั้นฝรั่งจริงๆนะ ไม่ใช่ฝรั่งดองนะฝรั่งฝรั่งเดินมามายืนอยู่หน้าร้านเนี่ยหลวงพ่อยังบอกพระที่ไปด้วยเลยบอกเห็นไหมว่าขันของฝรั่งเนี่ยมันแยกขันของคนท่านเนี่ยมันแยกนะมันแยกอยู่แล้วอะ่นะเพราะอะไรตอนนั้นฝรั่งนั้นจิตไม่ได้เป็นอกุศลตอนนั้นฝรั่งคนนั้นไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติทําไมไม่คิดเรื่องปฏิบัติเพราะไม่เคยได้ยินคำว่าพุทโธด้วยซ้ําไปนะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเลย เันโดยธรรมชาตินะขานเนี่ยมันแยกอยู่แล้วเราไปรวมมันเข้ามาเองด้วยการสำคัญมั่นหมายเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติสังเกตดูเวลาเราไปคิดถึงการปฏิบัตินะั้นจะไปรวบเข้ามาขั้นแรกเลยวางฟอร์มเสร็จแล้วก็จะไปดึงใจเข้ามาเนี่ยดูออกไหมดึงตากวางๆหน่อยมันผิดธรรมชาติไป เพะต่อไปนี้นะฝึกนะร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูได้ได้วยดูยดบสบายๆใจนี่เราก็ไม่บังคับกายนี่เราก็ไม่บังคับเอาแค่ไม่ให้ผิดศีล5เท่านั้นนะนะเอาไม่ให้ผิดศีลหเท่านะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้ปล่อยๆแล้วสบายศีลอัตโนมัติก็จะเกิดนะศีลเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนศีลเป็นของจําเป็นะนะศีลเนี่ยเป็นการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่นศีนข้อ1ไปเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาไปทําร้ายเขาชีว <S 3. S 2> ิตร่างกายเขาศีนข้อ2ไปเบียดเบียนทรัพสมบัติของเขาศีลข้อ3ไปเบียดเบียนคนที่เขารักศีลข้อสี่จะไปเบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศเขาแกล้งด่าเข้าแกล้งว่าเขาใส่ร้ายเขาสีข้อหมันเบียดเบียนตัวเองทำให้ขาดสติมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้ไปเบียดเบียนคนอื่นได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้น ศีลเนี่ยเบื้อต้นตั้งใจรักษานะต่อไปถ้าฝึกคอยรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยร่างกายกระใจเป็นคนละอนกันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกนะฮะรู้สึกเรื่อยๆพิจใจเราเปลี่ยนตลอดวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรเรียกว่าจิตรู้ไหมได้ยินว่าดูจิตดูจิตใช่ไหมแล้วอะไรเรียกว่าจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิต จิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตเป็นใหญ่กว่าเพื่อนเลร่างกายเนี่ยจิตสั่งลองยกมือสิยกมือทำไมยกมือได้เพราะจิตมันสั่งให้ร่างกายยกมือทำไมจิตสั่งให้ร่างกายยกมือก็หลวงพ่อสั่งให้พวกเรายกมือจริงล้วก็เนี่ยมันสั่งกันเป็นทอดๆนะร่างกายเนี่ยจิตมันก็ใหญ่นะจิตมันสั่งทาไมเรามีหน้าตาอย่างนี้ จิตมันพาให้เรามาเกิดได้หน้าตาแบบนี้นะจิต ท, ที่มันสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลมานะเรามาเกิดหน้าตาเป็นมนุษย์หนึ่งนี้สมบูรณ์ไม่พิกลพิการนี่จิตมันสร้างขึ้นมาจิตมันก็สั่งนะมันมันเป็นหัวหน้าเลยนะเป็นใหญ่ในธรรมะทั้งหลายจะช่วยจะดีอยู่ที่จิตจะสุขจะทุกข์อยู่ที่จิตเองดังนั้นะหน้าที่ของมันมันคือเป็นหัวหน้า ในสภาวะของรูปนามทั้งหลายนะอาการที่จิตปรากฏเนี่ยคือมันเกิดดับต่อเนื่องตลอดเวลานะเกิดดับตลอดเวลาอะไรเป็นเหตุใกล้ให้จิตเกิดรูปธรรมนามธรรมา ท, ำทำให้จิตเกิดนะแปลกไหมจิตเกิดจากวัตถุก็ได้นะจิตเกิดจากวัตถุก็ได้นะเกิด จ, จากนามธรรมาเองก็ได้นามธรรมาเช่นอะไรผัสสะตาเรามองเห็นจิตเกิดขึ้นมา เรได้ยินเสียงจิตเกิดที่มานีนานา่เกิดจากนามธรรมจิตเกิดจากรูปธปรรมก็มีอาศัยตาไปกระทบกับรูปนี่อาศัยรูปธรรม ท, ที่เราว่าดูจิตดูจิตนะนะอย่าไปดูจิตพูดแปลกไหมที่ว่าดูจิตอย่าไปดูจิตเฉยๆอยู่นะให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเหมือนเราเห็นร่างกายนีเราเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้า ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเวลาดูจิตที่เห็นจิตเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดนีดูอย่างนี้ดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเห็นนะร่างกายนี่เกิดดับตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เรียว่ามีปัญญานะคล้ฝึกนะมันมาจากสติเป็นพื้นฐานเลยล่ะถ้าเรา ไม่มีสติไม่ค่อยรู้กายไม่ค่อยรู้ใจนะเดี๋ยวกิกเลสก็ครอบใจเราผิดศีลไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกอะไรเขาเรียกอะไรนิวรณ์นิวร น, น, ว น, น์ความฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าตัวนะเอาเข้าจริงเป็นความฟุ้งของจิตทางนั้นเลยมันฟุ้งไปฟุ้งไปแล้วไปชอบมันเป็นการมาฉันท่านะั่งผลักไปอยากมันหิวอยากได้ฟุ้งไปแล้วไปเกลียดอารมณนะ์นะก็เป็นพยาบาท ฟงจับจดจับนอนจับนี่เรียกว่าอุทัดจักฟงซ่านจับไปจับมางุญญ่นหินกุกดจักนี่กุกดจกเพระนั้นอุทัดจักฟงซ่านฟงมากมากก็คิดมากคิดมากสงสัยมากเป็นวิจิกิจฉาฟงมากก็หมดเลี้ยวหมดแรงซึมไปเลยเป็นถี่นิมิตรมาจากฟุงทั้งนั้นเลยงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟงนะสมาธิจะเกิดนั่นหลวงพ่อถึสอนเนี่ยถ้าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จะได้สมาธิ รู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งไปนะอาศัยคอยรู้เอานะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปารู้สึกอยู่ได้นะศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดปัญญาก็คือเราเห็นว่ารูปธรรมนี่เปลี่ยนแปลงตลอดรูปธรรมนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดรูปธรรมคือกายเราเนี่ยนะสั่งมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่แก็แก่สั่งไม่ให้เจ็บก็เจ็บ ถ้าสั่งเล็กสั่งน้อยเนี่ยสั่งได้นะสั่งให้กระดูกระดิกเราสั่งพยักหน้าเนี่ยสั่งได้สั่งไม่ให้แก่เนี่ยสั่งไม่ได้ละเนีสั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้ละนะสั่งไม่ให้ปวดสั่งไม่ให้เมื่อยทําไม่ได้ละใชไหมมันจะปวดนะเพราะงั้นอย่างถ้าเรานั่งสมาธิแล้วปวดขึ้นมาเราจะนั่งเอาชนะความเจ็บปวดเนี่ยอันนี้ถูกหลักของการปฏิบัติอย่างไม่ถูก เราต้องการให้เห็นนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเราความเจ็บปวดก็ไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้จิตก็สั่งมันไม่ได้จะสุขจะทุกข์จดีจะชั่วสั่งไม่ได้เนี่หัดดูไปเรื่อยนะหัดดูไปเรื่อยมีสติทุกวันต้องซ้อมนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะเห็นร่างกายหายใจก็ได้เห็นร่างกายเดินจงกรมก็ไดนะ้อะไรซะได้อย่างหนึ่งอนะ่ะ หรือดูสุขทุกข์ก็ได้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ขึ้นมาเองอันนี้ใช้เวทนามาทําให้เกิดสติหรือดูจิตก็ได้จิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ต่อไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรขึ้นมามันรู้โดยไม่ได้เจตนาเนี่สติเกิดนี่อาศัยหัดรู้กายว่างรู้เวทนาหรือรู้จิตใจของเราไปแล้วแต่ความถนัด นะหลวงพ่อไม่บังคับว่าทุกคนต้องดูอะไรเราดูอะไรได้ดูอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาวันนั้นแหละตามถนัดของแต่ละคนทางใครทางมันเห็นแม้ว่ามันอิสระมากเลยนะเรียนแบบคนอื่นไม่ได้หรอทางใครทางมันก็ชั้นถนัดหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ชั้นก็ใช้วิธีนีนะ้ก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราใจที่เป็นคนดูไม่ใช่เราอีกคนหนึ่งถนัดนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเนะี่ย เขาก็ยืนเดินนั่งนอนไปแล้วใครเป็นคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็จิตเป็นคนรู้อีกเลยไนมะ่มีกายมีจิตแยกออกจากกันอีกคนหนึ่งถนัดดูความสุขทุกข์ในร่างกายก็ดูไปก็เห็นว่าความสุขความทุกข์ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปบังคับว่าต้องไม่ทุกข์นะไม่ใช่ดิฉันฝึกมาตั้งนานแล้วนั่งสมาธิทีไรก็ยังปวดเมื่อยทุกทีเลยก็ดีแล้วล่ะเธอไม่ได้เป็นโรคอะไรพิกลพิกา ร, การขาดความรู้สึกไปนะ ถูกบล็อกไขสันหลังสิไม่ได้รู้สึกนะยังมีความรู้สึกก็ดีแล้วมีความรู้สึกนะมีเห็นทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปหรือ ด, ดูใจเราก็ได้นะใจเราเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดหมุนไปเรื่อยๆมีแต่ของแม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ซ้อมทุกวันนะซ้ำจนกระทั่งมันเห็นเองพอมันเห็นเองแล้วต่อไปพอกิเลสเกิดปุ๊บมันรู้เองศีลมันจะเกิดพอความฟุ้งซ่านเกิด ปุ๊บสติรู้เองสมาธิจะเกิดนะรูปนามมันเคลื่อนไหวสติรู้ปุ๊บลงไปเห็นรูปประธรรมมันทำงานเห็นนามมันทำงา น, ม น, งานไม่ใช่เรานะเนี่ยปัญญามันก็เกิดอีกค่อยฝึกนะศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละเป็นของสําคัญซ้อนกันขึ้นไปนะเป็นชั้นชั้นศีลเนี่ยเป็นบาดเป็นฐานถ้าไม่มีศีลสมาธิเกิดยากถ้าไม่มีศีลนะกิเลสหยาบหยา บ, ยบมาเล่นงานเรา ยังไม่ทันจะสู้กับกิเลสอย่างกลางๆหรือพวกนิวรณ์ที่เป็นศัตรูของสมาธิเลยชกกับนักมวยชั้นต่ำเราก็แพ้แล้วอย่าไปคุยเรื่องจะมีสมาธิเลยสียยงรักษาไม่ไหวเลยแล้วก็ถ้าใจยังไม่ตั้งมั่นก็อย่ามาคุยเลยว่าจะเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามไม่ได้ให้ฝึกนะมันไม่ใช่ยากหรอกแต่ต้องอดทน อดทนอย่างแรกเลยก็คืออดทนฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องพวกเราผ่านข้อนี้มาเยอแล้วนะหน้าตาแต่ละคนที่หลวงพ่อมาดูในวันนี้นะหน้าตาไม่เหมือนเดิมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรแก่กว่าเก่าใช่ไหมไอ้ <laughs> อย่างนั้นมันธรรมดาแก่ <laughs> แก่ขึ้นทุกคนแลหลวงพ่อก็แก่ขึ้น ใครรู้สึกว่าหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมมังรู้สึกไหมมันผ่องใสกว่าเก่ารู้สึกไหมมันสดใสมันเป็นตัวของตัวเองนะมีใครชมมั้งเราบ้างไหมว่าดูสดใสขึ้นมีใครชมม้างยกมือซิใครได้รับคำชมแบบนี้บ้างไม่มีเลยเหรอคนที่นี่ไม่มีหูมีตาเลยเหรอ <laughs> หรือเราไม่มีอะไรที่ใครเขาสนใจเลยนะ <laughs> แล้ว ร, รู้ตัวเองบ้างไหมว่ามันผ่องใสขึ้นอันนี้รู้ไหมถ้าไม่รู้อีกก็แย่แล้วนะเพราะต้องรู้ตัวของตัวเองใจเศร้าหมองก็ต้องรู้นะใจผ่องใสก็รู้ถ้าใจผ่องใสหน้าก็ใสด้วยใจเศร้าหมองหน้ามันก็หมองไปด้วยนะะบางคนพยายามหลอกเวลาส่งกันบ้านนะพอน้ไม่เป็นหนรอกนะฟุ้งซ่านแหลกลานเนี่ยทาเป็นขลึ่มๆหนูอย่างน้อนหนูอย่างนี้อุ้ย <laughs> ใจเธอไม่ได้เรื่องเลยนะจะมาหลอกกันได้ยากเลยใจมีความสุขรู้สึกไหม<น>รู้สึกไปสังเกตุที่ความสุขเห็นไหมว่าความสุขเริ่มดับรู้สึกไหมความสุขค่อยคอยหายบางคนยังสุขอยู่สุขประนีตสุขอย่างประณีตรู้สึกไหมสุขอย่างประณีตใจที่มันทรงมีสมาธิอยู่มีความสุขที่ประณีต เห็นไหมใจเริ่มฟุ้งซ่านล้เริ่มแอบปุแบบ๊แบบแวบบ๊บแแวบนะเห็นไหมสั่งได้ไหมสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้สั่งให้สงบก็ไม่ได้ห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ไม่มีอะไรทําได้ดูบ่อยๆนะดูบ่อยๆจนวันนึ่งมันเห็นกายนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงหรอกนะเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราจิตใจ เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ความสุขเอาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้มันมาแล้วก็ไปความทุกข์เกลียดมันมันก็มาความดีก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันมาแล้วมันก็ไปความชั่วยิ่งพึ่งไม่ได้ใหญ่เราพึ่งอะไรเราพึ่งธรรมะธรรมะเริ่มแต่ฝึกสติไว้นี่แหละศีลก็เกิดเราก็ได้พึ่งศีลถ้าเรามีศีล น, นะอย่างน้อยก็สบายขึ้นตั้งเยอะแล้ว เราได้พึ่งสมาธิจะมีสมาธิแลควรทั้งโลกเขาวุ่นวายเราสบายเราสงบอยู่เราได้มีปัญญาเราเพึ่งปัญญาแต่พวกนี้ยังพึ่งไม่ได้จริงนะพอศีลสมาธิปัญญาเองยังเกิดดับอยู่วันนี้มีอีกวันหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้รู้สึกไห้บางวันภานาจิตใจมีสติดีบางวันไม่มีสตินีมันยังพึ่งไม่ได้จริงแต่อาศัยมันอาศัยมันไปนะ ค่อยๆ ฝ, ฝึกฝึกฝึกไปเสกรทังบีมุดเกิดบมุมดมันจะเกิดอริยามรรคเกิดอริยผลนะถ้าเราฝึกศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตมันจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆมันจะสะสมพลังนะสะสมพลังพลังเนี่ยพอมันเข้มข้นถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะให้จิตเนี่ยก้าวกระโดดเปลี่ยนสภาพไปเลยนะ ข้าวคล้ายๆกระโดดข้ามหน้าผาไปเลยควรเราฟังไปเลยจากบุตุชนขึ้นเป็นพระธิบุคคลเลยการที่เราฝึกตัวเองนะสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยทุกวันทุกวันวนลนเาเล็กวลาน้อยนี่แหละทําทุกวันนะปฏิบัติไปเรื่อยเราจะสะสมพลังของเราไปเรื่อยๆเมื่อพลังมันเป็นที่แล้วนะถึงวันที่พลังบุญวาสนาเราเต็มที่แล้วเนี่ยในวันนั้นอนะ่ะบางครั้ง กระทบอะไรอย่างเดียวง่ายๆเคยกระทบมาตั้งเยอะตั้งแย่แล้วนะอย่างเราเห็นใจที่กงังวลเราเคยเห็นบ่อยๆใจกงังวลใจโกรธใจยังงอนใจอย่างนี้วันที่บารมีเราเต็มนะไปเห็นเขาปุ๊บเดี๋ยวนะขาดสะบ้านเลยนะถ้าไม่ขาดเนี่ยจิตตัดกระแสภายนอกนะทวนเข้าหาตัวธาตุรู้เลยนะจิตทิ้งขันห้าขันห้านี่ของทิ้งเลยนะจิตทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้ อาสวายกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่แยกออกไปแตกออกไปด้วยกาลังของอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยเข้าไปฆ่ากิเลสส่วนลึกในใจตายไปบางส่วนฆ่าตายไปส่วนส่ว น, วนมีทั้งหมด10ส่วนกิเลสที่อยู่ข้างในลึกๆเลยเรียกสังโยชน์เป็นกิเลสที่ผูกมัดเราเอาไว้ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี้ได้ตัดครั้งแรกฆ่าตาย3ตัวฆ่า สักยตทิฏฐิหรือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเราเห็นเลยไม่มีตัวมีตนขันห้ามีอยู่ไม่มีเจ้าของขันห้ามีการกระทำไม่มีผู้กระทำใครโกรธสังขารมันโกรธใครสุขเวทนามันสุขใครรู้จิตมันรู้วิญญาณมันรู้ใครหายใจออกใครหายใจเข้าใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายมันทำนะไม่มีคนทาไม่มีเจ้าของไม่มีเรา ขันแต่ละขันเขาทาหน้าที่ของขันไปจะเห็นอย่างนี้นะเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ก็จะไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยแล้วพะพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยะสงฆ์มีจริงนะจะไม่มีความลังเลเลยว่าการปฏิบัตนะิจะไม่มีความเครือบแคลงสงสัยว่าทํำยังไงถึงจะบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่เราจะคิดว่าทำอย่างนู้นสิทําอย่างนี้สิจะบรรลุเข้าใจผิดทางนั้นเลย รู้ตามความเป็นจริงหรอในขั้นเดินปัญญานะคือรู้ตามความเป็นจริงนะในขั้นรักษาศีลก็ต้องตั้งใจรักษาในขั้นทํามสมาธิต้องตั้งใจเจริญขึ้นมาในขั้นเจริญปัญญาก็พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะวิธีพัฒนาความรู้ความเข้าใจคือรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่จะล้างความงมงายนะความงมงายต่า ง, างๆนานา พวกเรายัางงมงายไหมหรือเลิกงมงายนะเวลามาไหว้พระธาตุอธิษฐานว่าแม่ขอให้ได้มรรคผลอย่างนี้เรียกงมงายไหมไม่ไม่เรียกว่า ง, งมงายถ้ารู้จักวางใจให้ถูกนะเป็นการประกาศต่อพระธาตุว่าเราจะเดินในเส้นทางนี้เป็นการปฏิญาณตัวแต่พระธาตุจะมาช่วยให้เราบรรลุมรรคผลเนียเราไม่ได้คิดอย่างนั้น แต่เราจะพยายามบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้อันนี้ไม่ใช่งมงายนะอันนี้เป็นการตั้งใจให้มัน่นและมุ่งไปทางนี้แต่ถ้าคิดว่าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะมาอุ้มเราไปนิพพานอันอย่างเนี้งมง่ายนะหรือฟังหลวงพ่อปราโมทยไปเรื่อยๆศีลไม่ต้องรักษาสมาธิไม่ต้องทําปัญญาไม่ต้องเดินฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็บรรลุอย่างนี้งมง่ายนะต้องทํา งั้นเวลาที่มันล้างกิเลสชั้นต้นนะครั้งแรกตัดไป3ตัว3จาก10นะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะละกามราคะกามราคะนี่เป็นความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นรสในรสในสัมผัสละปฏิฆะความไม่ยินดีไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเวลาไดของนอกไม่มีสาระแล้ถัดไป5ตัวสุดท้ายนัละพร้อมกัน ราพร้อมๆกันพวกเราชาตินี้จะได้ละหรือเปล่าก็ไม่สําคัญนะขั้นแรกขอให้ได้ละสามตัวแรกให้ได้ก่อนก็แล้วกันจะละสามตัวแรกให้ได้ต้องพัฒนาสตินะศีลพัฒนาขึ้นมาสมาธิพัฒนาให้มาเจริญปัญญาไปเราถึงจะเอาไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะถ้าจิตมันมีพลังมากพอเอามันตัดไปแล้วนะก็เริ่มสะสมพลังอีกเนพะื่อจะเอาแรงไปตัดขั้นต่อไปอีก จะเป็นการสะสมพลังพวกเราคนไหนรู้สึกว่าจิตขนาดนี้มีพลังมากกว่าแต่ก่อนบ้างรู้สึกไหมยกมือสิไม่ต้องเกรงใจยกมาไม่ต้องเสแสร้งว่ามีชั้นเลวตลอดจริงตัวเองไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะเนี่ยกำลังเลวแล้วหลอกพระจิตเรามีพลังเพิ่มขึ้นนะดูหน้าก็รู้แล้วมันดูไม่ยากหรอกเห็นหน้าก็รู้แล้ยมดูออกไหมไม่ต้องหลวงพ่อดูหรอกยมที่ดูก็รู้เลย คนไหนมันเป็นยังไงนะงั้นฝึกนะฝึกสติหายใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกฝึกตรงนี้ก่อนให้ชำนิชำนาญแล้วเดีของอื่นค่อยพัฒนาไปถ้าคนไหนพัฒนาไปตรงไหนแล้วก็ฝึกต่อไปอนะทุกวันทุกวันต้องทำศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุตติก็เกิดนะมรรคผลเกิด เราใสัมผัสผลิตพัณฑ์สาระแก่นสารของชีวิตหาแทบเป็นแทบตายะในสังสารวัตนี้เดินทางยาวไกลก็เพื่อสิ่งนี้เองเพื่อจะได้เห็นอนุปาทิเสสนิพานนะแล้วพอสมควรเทศยาวกว่า น, นี้เดี๋ยวอากุศลเกิดอยากกลับบ้าน <c oughs> กาเปรี่ยนผ่า อ, อาจารย์เจ้าคะ่ะพอดีวันนี้ลูกมีปัญหาหน่อยนะคะ อ hmm? ลูกชายอะค่ะติดเข้าเศร้าอะติดเศร้าคงไม่เที่ยงไม่มีหรอกเศร้าที่เที่ยงนะเครียดค่ะไม่หมายถึงว่าความเศร้าอ่ะมันก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์มันก็อยู่ชั่วคราวเวลาเรากลุ้มใจมากๆนะเราสอนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าจะทุกข์แค่ไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านทั้งนั้นนะ่ะบางคนอกหักเป็นทุกข์เยอะทต่ว่มันก็ทุกข์ชั่วคราวนะ อกัครั้งที่หนึ่งก็ทุกนานหน่อยใช่ไหมครั้งที่ยี่สิบเพิ่อเฉยๆเรื่องธรรมดาเราดูไปหน้าความเศร้าความรู้สึกที่ไม่ดีดูไปก็ไปแบบว่าเขาชอบช่วงนี้นะสองอาทิตย์เนี่ยจะปีกวิเวกอยู่แต่ในห้องไม่คุยกับใครไม่ไปออฟฟิศไม่ทำงานอะไรไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเลยโออยาน้อมใจให้มันนิ่งให้มันว่างนะนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยอยู่กับโลก เรียนรูโลกได้ไม่ใช่คนที่หนีออกไปจากโลกหรอกเนะพราะทีเจ้าสอนให้เราอยู่กับโลกนี้แหละแต่อยู่อย่างฉลาดอยู่แล้วไม่ทุกขนะ์ถ้าเราติดในความสุขความสงบนะจะหนีปลีกตัวออกไปไม่ดีหรอกยิ่งนานยิ่งถดถอยถดถอยมากๆนะบุคลิกก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนสภาพจิตใจก็เสียนะไม่ดี <Okay. S 1> ออกมาอยู่กับโลกนี้มากล้ากล้าหน่อย okay. ว่าอาารช่วยแนะนําสอนแกว่าพิธีดูจิตยังไงอะคะขั้นแรกต้องสอนแม่ก่อนเมื่อแม่อย่าไปบังคับลูกเยอะนะแม่ห่วงลูกรักลูกอยู่นะ เ, ออเราดูของเราก่อนเดี๋ยวลูกก็พาวนาได้ะการจะดูจิต ด, ดูใจไม่ใช่เรื่องยากพอรู้ทันความรู้สึกตัวเองไปอย่าละทับใจให้ว่างน อย่าทำใจให้ว่างการทำใจให้ว่างไม่ใช่เส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าไม่เคยสอนสุญญตาต้ปัศนาสติปัฏฐานไม่มีเลยนะมีแต่ให้ดูกายให้ดูเวทนาให้ดูจิตให้ดูธรรมงั้นอย่าไปให้มันซึมอยู่ออกมารู้สึกที่ร่างกายให้เยอะขึ้นหายใจแรงๆสิหใจลขยับมือเออขยับปลุกตัวเองให้ตื่นให้ใจมันหลุดออกมาจากโลกข้างใน อย่าให้ค้างอยู่ภายในนะอย่าให้ใจลอยไปกลับมาอยู่ที่ร่างกายไว้เห็นร่างกายหายใจไปอย่านะงนี้นะรู้สึกไมหมใจมันจะมีพลังขึ้นเพราะมันลอยเกลียงกว้างไปนะไม่ดีนานๆไปบุคลิกเสียเลยเกิดนะเข้ากับโลกเข้ากับใครเข้าไม่ได้ไม่ดีเลยนะลกลับมาที่ร่างกายนะปลุกมันอีกทีหายใจแรง รู้สึกค เ, เอ่อกลับมาที่กายอย่างนี้นะถ้าเข้ามาตรงนี้ได้ทำไมมันก็ใจไม่อยากตื่นเต็มที่ออกมาก็จะไม่ไปติดค้างในอารมณ์นิ่งๆตัวนี้อ่ะต่อไปอาพระอาจารย์ขออีกๆ อ, อย่างหนึ่งนะคะ อ, อ้ขอวิธีอ่าบรรลุโสดาบันจะอยากแบบไม่ใช่อยา่าง แบบว่าจะขอวิธีบรรลุโสดาบันในชาตินี้่ค่ะเหรอก็วิธีเทศมาตลอดเนี่ยคือวิธีบรรลุโสดาบันในชาติเนี้ยฝึก <c oughs> <c oughs> ให้มีสติ <c oughs> พัฒนาให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดวิมุติได้เป็นพระโสดาบัน<อ>นั่นแหละนะค่ะพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะอย่าไปกังวลกับลูกมา ก, มากนะกังวลเยอะไปลูกไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงนักหนาเนาอเดี๋ยวเรากลุ้มใจแบบครับ ให้ลูกกลับมารู้สึกในร่างกายไม่ให้ใจร่องรอยไปเดี๋ยวก็าหายออครับขอบคุณครับอาจารย์ตามน้ำกาดหลวงพ่อครับผมทำรูปแบบใช้วิธีเดินนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้รู้สึกมันจะมีฟุ้งแล้วก็โทสะป้าครับหลวงพอ่อหลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรไหมครับจเจริญเมตตาไปเลยนะเดินจเจริญเมตตาไปเมตตาคุณนงนระาหังเมตตา ทำไปได้ใจมีพลังขึ้นมาสว่างไล่ความมืดออกไป ส, สิ่งไม่ดีไม่งามมันครอบงาใจเราได้แล้วเรื่องรูปแบบผมภาวนามาไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับหลวงพ่อต้องสบายกว่า น, นี้นะครับผมมันจะมีความจงใจมนะันจงใจมากไปมันจงใจเพราะมันอยากดีนะครับพอมันอยากมันก็เลยเคลียดไป ทำเล่นๆไม่ดีก็ได้นะไม่ผิดสีเนี่ยพอทำให้มันสบายยิ้มหวานๆก่อนดูสิให้ยิ้มหวานก็ยิ้มนี้มันจะตื่นเต้นนะครับหลวพอต้องเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกสบายๆนะถ้าเดินจงกรมแล้วมันเครียด <c oughs> ก็อย่าเพิ่งไปเดินมันนั่งเล่นๆ นั่งขยับแป้ได้ไปขยับมือนั่งเล่นๆอนะ่ะอย่าจริงจังตอนนี้จริงจังมาใช่ปัญหาอยู่ที่จริงจังเนี<อ>ถ้าแก้ตัวนี้ได้ก็หายนะ<อ>จริงจังเกิดจากโลภ อ, อยากดีครับถ้าเรารู้ทันว่าใจโลภมันก็ไม่จริงจังไม่จริงจังมันก็ไม่ไปเครียดทาไมโลภเพามีเอาวิชาอันนั้นยังล้างไม่ได้เอาแค่โลภก่อนนะ กลับกบนมรสการหลวงพ่อค่ลลอคะลูกภาวนามาสามปีแล้วคะ่ะหลวงพ่อวันนี้ช่วงช่วงแรกปีแรกเนี่ยรู้สึกขยันมากนะคะ hmm. ปฏิบัติแบบไม่อยากทำอะไรจะปฏิบัติอย่างเดียว hmm. คะ่ะช่วงที่สองนี้จะรู้สึกเหมือนเบื่อมากนะคะแต่ก็ก็ พยายามบอกกับตัวเองว่าเราต้องทำตามหน้าที่แต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะมาได้ปีกว่าแล้วค่ะก็รู้สึกเหมือนเหมือนทำเป็นปกติเหมือนปฏิบัติหน้าที่ตัวเองทานข้าวอะไรแบบนี้ น, นะคะเ mm. ช้ากับก่อนนอนเนี่ยก็จะปฏิบัติในรูปแบบค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ ภาวนาไปนะคะดูดูจิตดูใจตัวเองไปค่ะก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ายังอยู่ในเส้นทางดีอยู่หรือเปล่าครับก<อ>็ยังอยู่นะทาต่อไปค่ะงั้นขอคําแนะนําแล้วก็การบ้างงเพิ่มค่ะนี่ไงแนะนำแล้วทํำไปอีก <c oughs> ทํามาได้ดีขึ้นนะแต่ละปีแต่ละปีมันพัฒนาขึ้นมาถึงภาวนามาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นขันมันทํางานทําหน้าที่ของมันอะ่ะ ร่างกายมันก็ทำหน้าที่ไปเคี้ยวข้าวอะไรเงี้ยนะตื่นข้ามันทำงานของมันเองจิตใจมันก็ทำงานของมันเองดูเขาทำงานไปเรื่อยๆดูสบายๆอยากใจอยากพูดรู้ไหมค่ะเราใจอยากพูดรู้น้ามันดันขึ้นมาตรงกลางหน้า อ, อกเนี่ยค่ะรู้อย่างนั้นมันอยากได้เองตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยจะพาหมาเดินรอบหมู่บ้านค่ะพอ่อก็แยกขันคือดูกายเขา เขาเขาเดินไปมันจะเหมือนมีกล้องตามมองเห็นอย่างนั้นนะคะหลวงพ่ะไม่ทราบว่าคิดมากไปหรือเปล่าหลวงพอมันมีกล้องที่เห็นเนี่ยนะแต่ตัวกล้องนี่ต้องสบายตัวรู้เนี่ยมีสองลักษณะตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกนะมันรู้ตื่นเบิกบานสบายของโยมมีแต่บางคนมีตัวรู้ที่ผิดมันแข็งแขงเหมือนมีกล้องสองกล้องจ้องอย่างนี้เนยะต้องไม่คลาดสายตา จ้องแบบคอยจับผิดนะถ้าอย่างงี pues know you know ้เครียดอย่างนี enfin ้ไม่ถูกนะตัวรู้แบบนั้นผิดแ้าตัวรู้ที่ถูกก็เหมือนเห็นเห็นใครสักคนหนึ่งมันทำงานไม่ได้เจตนาจะเฝ้ากันหรอกแต่เห็นใช้ได้นะแล้วหมาพอนาได้อย่างพาหมาไปเดินจงกลมทำหน้าที่ให้เขาสบายค่ะโลภ้าว่าก่อนมีหมาตัวหนึ่งนะว่ามันเก่งอะ มันถือศีลอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะกระทั่งลูกแมวเข้ามาในบ้านนะไม่กัดแล้วมันมีลูกเลี้ยงลูกมันอยู่นะลูกหมาอื่นมานะไม่กินนมก็ให้กินนะแล้รู้จักทำทานด้วยอย่างมันกินข้าวอยู่นะถ้าสัตว์อื่นมานะมันให้กินก่อนนะเหลือแล้วมันกินเหลือเราถึงจะกินมันไม่เคยขโมยมันถือศีลอยากจนน้ำลายไหลนะ ของวางอยู่เงี้ยถ้ายังไม่เรียกให้กินไม่กินนะสงสัยเป็นพร่ามาเกิดต้องประเคนนะต้องประเคนถ้าไม่ประเคนนะกัน้ําลายไหลติ้งติงไปเลยนะไม่เอาเลยไม่ขโมยแต่ข้อประพฤติผิดในกามเนี่ยยืนยันไม่ได้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าสามีของมันเนี่ยมันไปแย่งคนอื่นมาหรือเปล่านะข้อมูสามันไม่มุสานะเป็นมาที่ไม่เห่านะไม่เห่าโดยไม่จาเป็น ห่าก็หา่าบักเดียวพอพอรูเรื่องนะไม่มานั่งเห็นใบไม้ไหวเขาเห่าอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วไม่เคยกินเหล้าหนะมาตัวเนี้มีศีลที่ยืนยันได้สีข้อกาเมเนี่ยตอบไม่ถูกนะไม่ได้เฝ้ามันตลอดนะแล้วเวลามันจะตายนะตาเนี่ยใสแจ้วเย่ยมันนอนเห็นร่างกายตายไม่นขนาดนั้นนะ แต่ก่อนแล้วก็นึกๆนะอมก่อนมันจะมาเป็นหมามันคงเป็นนักปฏิบัติแต่ตอนตายมันคงพลาดพวกเราอย่าพลาดนะ <c oughs> แต่พลาดแล้วของที่มันเคยทําอ่ะมันกลับมาง่ายเวลาจวนจะตายนะสติมกลับมาได้กลับมารู้สึกได้นะโอกาสที่ไปสวดตีก็มีไม่ต้องเป็นหมาห้าร้อยชาติเนาะ หลวงพ่อขขออนุญาตถามหลวงพ่ออีกข้อนึงค่ะช่วงนี้เวลานอนเนี่ยปกติจะนอนหลับรวดเดียวไม่ไม่ตื่นนะคะทีนี้ทำไมช่วงอย่างน้อยก็ตื่นนะเช้าเช้าที่ครับตื่นหรือเปช่วงกลางคืนไม่ตื่นฟื้นไม่มีเหมือนตัวเองไม่ไม่ได้นอนอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อหันไปหันมารู้สึกตลอดนั่นแหละสติบันดีพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะบาทีร่างกายหลับนะ จิตมันถอยเอามานนี่นู่สว่างโล่งว่างสว่างอยู่จิตมันทรงสมาธิอยู่ร่างกายมันหลับเนี่ยใครบอกว่าฝึกวิธีของหลวงพ่อประโมดดูแต่จิตดูกายไม่เป็นไม่จริงหรอกนอนหลับอยู่กายกระดุกกระดิกยังรู้หมดเลยใช่ไหมค่ะนีมีพยานใครนอนอยู่แล้วรู้ตัวเองได้บ้างพิกซ้ายพิกขวารู้ไหมเป็นคราวคราวก็ยังดีนะแตไม่นอนกลิ้งตกเตียงอย่างไม่รู้เลยมีนะหลวงพ่อเมื่อก่อนมีเพื่อนคนนึ่ง เวลาจะสอบนะมันชอบมาอยู่บ้านหลวงพ่อมาดูเลคเชอร์ของเรามันไม่ค่อยจดมาดูเลคเชอร์เราแล้วตอนเช้านะเราต้องพยายามปลุกให้มันไปสอบนะมันไม่ยอมตื่นนะวันนึงโมโหน้ำผลักมันตกเตียงไม่ว่ายังไงก็ตื่นไม่ตื่นหรอกอ้ <c oughs> อมย้อนจริงของเรานะสติเราดีดึกเล็กทุกเกรู้หมดค่ะ <c oughs> เป็นปกติของการปฏิบัตินะคะับปกติจริงๆคนโดยทั่วไปนะไม่ต้องถึงคนทรงชาออกนะคนทั่วไปอ่ะถ้าสบายจริงๆนอนห้าชั่วโมงพอละเต็มอิ่มละนอนเกินนั้นจะเริ่มฝันฟุ้งซ่านละนะเกินจำเป็นห้าชั่วโมงก็มาตรฐานนะกราบลวงวันนี้กลัวจะแย่อยู่แล้วอ่ะว่ามา มรัการหลวงพ่อค่ะเ อ, อ่อจะมาส่งการบ้านรอบที่สองค่ะหลังจากที่เคยส่งหลวงพ่อเมื่อปี ก, กว่าที่สวนสันติธรรมก็จะรายงานผลกรารเจิบัาที่ผ่านมาก็หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันใช่ไหมขอ้อก็ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆก็เห็นกิเลสเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลไหลไ<ร>ตลอดเวลา ไม่ว่ากิเลสไม่ว่ากุศลนะกุศลความสุขความทุกข์เนี่ยหลวงพ่อสอนเลยก็แล้วกันนะเพื่อประหยัดเวลาค<ะ>่ใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่ไหมก็ออยังฟุ้งซ่านอยู่นะไม่มีจุดอ่อนตรงนี้นะใจะยังฟุ่งแข่งอยู่งั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้ใจอยู่จะมานั่งดูจิตเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีแรงนะรารจะต้องมีพุโทโธพุทโธอะไรองี้ด้วยหรือหายใจไปรู้สึกตัวไปด้วย ต้อมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปแล้วรู้อะไรเ ง, งี้ยฟึ้งอย่บ่อยๆอจิตจะได้มีแรงไม่งั้นจิตไม่มีแรงฟุ้งไปน ะ, ะค่ะเอไปทํารรทตรงนี้แหละคุณว่ามานรร้ามรัสการณะหลังจากคราวที่แล้วที่หลวงพ่อมานี่แนะนําในเรื่องของโทสะแรงค่ะเห็นไหมเห็นแล้วบางทีรู้ไม่ทันก็เจ็บไปที่ ที่ที่ที่ ท, ที่หัวใจมาก<อ>แต่พอรู้ก็หาย <c oughs> ก็ฝึกบ่อยๆก็ตอนนี้ก็เข้าที่แล้วคะ่ะเริ่มดูแลแล้วก็จะมีในเรื่องวิตกกังวลค่ะส่วนสตินี่มีมีมี ม, ม, ม, มีหายหายแต่ก็วุ้งวัยขึ้นใช้ได้น ะ, à, ะดูดีขึ้นด้วยขี้โมโหลดลงแล้วดี องคุมได้ในเรื่องของกายกวาจาแต่ในเรื่องความรุนแรงที่เขาใจเนี่ยไม่ห้ามนะค่ะกายวาจาเนี่ยคุมด้วยศีลแต่ใจเนี่ยไม่ห้ามเลยโกรธได้นะเพใจเราบางทีคก็ดีบางทีก็ร้ายไม่บังคับมันคือเขาเกิดขึ้นเองบางคับไม่ได้ตรงนี้เห็นบ่อยค่ะเออนั่นแหละดีค่ะแล้วก็ศีลอัตโนมัติมาเองค่ะคือ อยากชีวิตประจําวันที่ดีมากกว่าให้กันบ้างเลยก็แล้วกันของโยมเนี่ยคลุกคลีน้อยๆเราจะดีนะถ้าคุยเยอะๆเนี่ยจะไม่ดีจะฟุ้งง่ายนะและอย่างอื่นละคะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ละดีขึ้นเยอะละรู้สึกไหมว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆค่ะในเรื่องของโทสาค่ะดีโทสะเนี่ยตัวร้ายนะจะพาเราตกนรกโทสะเนี่ย เล อ, อีกตัวที่ดีคือโลภมันมันค่อยโลภแล้วค่ะโลภก็ได้เราโลภเรารู้<ช>ทันเอากากกาอตอบมสั ก, การหลวงพ่อคะ่ะหนูเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อคะ่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าคะ่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ากิเลส ท, ที่ทำให้เรามีทุกข์เนี่ยมันมัน มันห่างไปอะค่ะแล้วนานๆทีเกิดก็ก็เลยปฏิบัติในรูปแบบเหมือนในเทปที่หลวงพ่อสอนนะคะเพิ่มเป็นตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตอนชีวิตประจำวันในช่วงเวลาทำงานก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างอะคะ่ะถูกแล้วฝึกไปเรื่อยนะต่อไปมันอัตโนมัติมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้ น, นะจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ ใช้ได้หลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเร า, เราดูไปด้วยนะกิเลสอะไรของเราแรงบ้างตัวไหนที่เป็นกิเลสรุนแร ง, งเราดูออกไหมดูออกค่ะเออดูออกก็คอยรู้เอาตัวนั้นมันจะเกิดบ่อยเราก็รู้เอานะค่ะขอบพระคุณค่ะน้ำพิการหลวงพ่อครับขอหลวงพ่อต่อยอดหน่นะครับทำถูก <c oughs> แล้วล่ะทำถูก <c oughs> แล้วน ะ, ะค่อยรู้ทานกิเลสไปทั้งทั้งนะ กิเลสมันมีหลายชั้นกิเลส ท, ที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะผองใสนะเหมือนกุศลเลยดูยากแต่ว่าไม่พ้นความสังเกตเหรอกค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้อะไรที่มันแปลกปลอมมาปรุงแต่งจิตใจเราค่อยรู้เอานะการู้มันก็ขาดออกไปขาดออกไปแต่ไม่ได้ฝึกให้ขาดฝึกให้เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปทําถูกแล้วไม่ได้มีปัญหาใช้ได้ ครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกให้ไปดูอนัตตาครับก็ไปสังเกตมันจะรู้เองเห็นเองแค่ตอนแรกครับพอหลังนั้นมันจะโลภแล้วมันจะกลายเป็นคิดถึงอนัตตาสัมากครับผมคือถ้ามันโลภโลภไปนะก็มาดูร่างกายไว้ครับนะมาเห็นร่างกายร่างกายไงมันก็ไม่หายไปไหนครับนะเคยรู้สึกไปด้วยนี่พอตาหูจมูกลิ้นใจใจให้มันกระทบไปครับเดี๋ยวความรู้สึกก็เกิดใหม่ครับเพื่อจะเห็นเลยเกิดได้เองครับ รู้สึกไหมร่างกายนี้ไม่ใช่เราดูออกแล้วใช่ไหมดูออกเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเนี่ยแหละมันเห็นอนัตตาแต่อย่าให้ใจไปติดว่างเท่านั้นแหละถ้าไปติดว่างก็กลับมาดูกายครับะบางทีมันโล่งๆไปมากเลครับโล่งๆกลับมาดูกายไว้ครับเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเป็นนะไปอ่านหนังสือเซนนะครับ นัสือของเซนนะอ่านแล้วใจมันโล่งว่างเลยแค้อย่างนี้ถ้าจะดีนะคิดอย่างนี้พยายามทําใจแบบนั้นะครับมองรอบว่างเปล่ามันปลอมอะครับมันปลอมขึ้นมาครับก็ให้รู้ทันมันจเฉยมครับอย่าไปจงใจให้ว่างนะอย่าติดว่างครับว่างเนี่ยศัตรูร้ายเลยเราคงมั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยครับตัวร้ายเลยครับมาดกันครับ กาบนมสักการะหลวงพ่อครับฝึกดูกจิตที่เคลื่อนไปครับแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับครับถูกไปฝึกเอาทำได้ข อ, อกันบ้านนะครับทำอีกไงทำเป็นแล้วทำาไปนมสักการหลวงพ่อค่ะจะปฏิบัติดูกายเคลื่อนไหวค่ะแล้วบางทีถ้าเกิดสภาวะใดขึ้นถ้าเห็นมันก็จะไปเห็นแล้วกลับมาอยู่ที่กายค่ะ อย่างช่วงนี้มันจะเกิดความรู้สึกข้างในบ่อยๆอะค่ะเหมือนมันมีอะไรเคลื่อนไหวมีความคุกคุนบางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นอกุศลค่ะแต่ว่าขณะที่บางครั้งเราข้างนอกเรารู้สึกมีความสุขแต่ข้างในมันก็ยังรู้สึกว่ามันมันทุกข์มั น, ม น, มนเป็นก้อนก้อนเออแล้วแหละเห็นก้อนเนี้ดีแล้วแต่อย่าไปคิดนะว่าจะหายไม่หายหรอกมันรู้สึกเหมือน บางทีมันทนไม่ได้อ่ะค่ะทนไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจนะถ้าเห็นตัวนี้เราจะเห็นทุกนะถ้าเห็นตัวนี้ถนะ้าครูบาอาจารย์ชอบนะเราตามมหาบัวเคยพูดเลยถ้าเห็นมันหมุนอยู่อย่างนี้ในใจนี่นะกลางอกนี่ท่านไล่เข้าป่าเลยนะ้บอกถ้าเป็นปลานะะไล่ให้ไปเร่งความเพียรเลยนะนี่เราพวกดูจิตเนี่ยจะเห็นตัวนี้เร็วพอเห็นแล้วเนี่ยสมาธิเราไม่พอ สาที่ไม่พอจะทุกข์มากเลยแล้วไม่มีที่เบรกเลยมันเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนนะมีได้ทุทกข์ล้วนๆเลยเพอใจเราเหนื่อยมากๆเนี่ยมีที่พักอยู่ที่เดียวทำสมาธิพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ชอบนะสวดมนต์อะไรสัน้นๆสักบทหนึ่งสวดแล้วสวดอีกอ่ะวันละร้อยแปดจบเลยนะั้งสวดไปพอใจจะได้พักงั้นก็หนุกไปสวดมนต์ต่อ <laughs> ไ้ทำไป ส่วนมนแล้วก็รู้ทันใจไปนะทำ oh <my> กรรฐานอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปมีนะเระอค์หนึ่งสวนมนต์วันหนึ่งต้งหลายชั่วโมงนะสวดไปเรื่อยๆก็พอนานดีได้สวดแล้วคอยรู้ทันใจแต่ถ้าสวดแล้วก็สงบ mm hmm. อย่างนี้ไม่ได้กินหรอก mm hmm. ก็การบ้านคือให้หนูไปฝึกดูดูมันต่อถ้าดูไหวใช่ค่ะถ้ามันเหนื่อยก็มาสวนมนไว้นะพักตัวเองขอบพระคุณค่ะลงเห็นตัวเนี้ยก็อุยทุกทุกมากทุกไม่มีที่หยุดเลยเพราะว่าหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดวันนะกลางคืนหลับไปก็ยงังหมุนอยู่เลย ถ้ามันมีแรงเห็นมันก็ยังเห็นอยู่แต่ถ้ามันมีแรงเห็นนะใช่สิถ้ามีแรงเห็นก็เห็นถ้าไม่มีแรงก็ไม่เห็นก็ถูกแล้วล่ะถ้าเห็นได้ก็เห็นไปนะถ้าเห็นไม่ไหวเหนื่อยมากทุกมากก็ทาความสงบนะฝึกนะดีแล้วล่ะทนเอาขอบคุณค่ะกรรมนักสการ์นหลวงพ่อครับผมอยากจะถามเรื่องสมาธิครับ คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮรผมนั่งสมาธิคือมันมันเริ่มจากไหลรู้ครัก็คือพอมันไหลไปปุ๊บไหลรู้ไหลรู้อฮะแล้วมันก็สั้นลงอะฮะพอมันเรารู้สึกตัวทีเนี่ยมันจะสว่างขึ้นอย่างเงี้ยพอมันสั้นลงสั้นลงปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนก้อนฮะเหมือนรู้สึกตัวอยู่อย่างเงี้ยครก้อนอะไรมันมันเขาเขาเคลียร์อยู่กับตัวอยู่อย่างเงี้ยฮะเหมือนตอนนี้ไหม <im> ไม่เหมือนนะไม่เหมือนถ้าเหมือนใช้ไม่ได้นะครับผมครับตัวนี้มันล็อกอยู่มันกดอยู่ยังกดอยู่ใช่ไหมครับอืตอนนี้กดไหมมันมีน้ำหนักออใช่ถ้ากดเมื่อไหร่มันก็เกิด น, น้ำหนักขึ้นมาเหมือนเราเอามือไปกดแต่ช่งางแต่ช่างก็หมุนได้อต้องธรรมชาติกว่านี้นิดนึงแลือต้องธรรมชาติกว่านี้นิดนึงใช่ไหมครับทำ เ, เป็นธรรมชาติไปอยากดี Hey, อย่างดีแล้วก็ยุ่งอนะ่ะครับผ ม, มจะไปปลูกขึ้นมาครับไอ้ที่ผมที่ผมจะถามนี่คือถ้ า, าถ้ามันสว่างขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วมันเข้าเคลียร์อยู่กับตัวเนี่ยผมแยกไม่ออกระหว่างอาอารามานูกับรักขนูนะคือถ้ามันสว่างมาแล้วเกิดสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเลยะเดินต่อไปเลยหรือว่าสว่างขึ้นมาจิตพอใจรู้ว่าพอใจ เข้ามาที่จิตนี้เลยความสว่างก็เป็นแค่อารมณ์บหนึ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเหมือนโลบกรดหลงอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งที่จิตไปรู้เข้าสว่างถ้าเราตั้งหลักว่ามันเป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่งนะเราก็ดูมันไปมันก็เกิดดับแต่ถ้าดูอารมณ์อย่างนี้แล้วจิตยินดีรู้ทันจิตจินตายรู้ทัน่อใช้หลักเดิมนี่เรางงเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่เราไม่นึกว่าเป็นอารมณ์ ที่ทิ้งมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งสว่างว่างไงนะอ๋อคือพอมันสว่างมันเข้าเคลียอยู่กับกายก็ดูมันไปตัวนี้ก็คืออตัวนี้เป็นอารมณ์แล้วเราก็รู้ไปอ๋อนะีมันคืออารมณ์่างหนึ่งเท่านั้นเองผมเพราะผมมันย้อนมาดูที่ใจมันก็สบายสบายสบายรู้ว่าสบายค่นะผมดูไปสบายก็ชั่วคราวอะไรก็ดูไปนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้า เมื่อจิตไปรู้อารมณ์ใดก็ตามนะยินดีหรือยินร้ายรู้ทันสุขทุกข์หรือดีหรือชั่วรู้ทันนะก็แค่นั้นใช้หลักเดิมใช่หลักเดิมเลยใช่ไหมครับเนื้อที่งงก็เพราะว่าไม่คิดว่าอันนี้เป็นอารมณ์มันหนึ่งไม่คิดว่าว่างสว่างถ้าใจอยู่อย่างเงี้ยเป็นอารมณ์มันหนึ่งนะที่ใจก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะั่นแหละอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้เนะี่ยตัวนี้ถูกรู้ เมื่อรู้อารมณ์แล้วจิตเป็นยังไงให้รู้ทันนะใช้หลักอย่างนี้นะไ ม, ไม่พลาดหรอกขอการนะครับตัว่องไก็เมื่อกี้ที่ที่ลองทาดูนะครับมันก็จะเพ่งแล้วถ้าเกิดให้แค่รู้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดหรือเปล่าควรจะมีอะไรนะถ้าบอกว่าแค่รู้ไปว่ามันเพ่งแต่ก็ดูแล้วมันก็ยังไม่หลุดนะครับ เพงเนี่ยไม่เหมือนเผลอเผลอเนี่ยทันทีที่รู้ว่าเผลอนะหลุดทันทีเพ่งเนี่ยมันเป็นฝ่ายบวกเพราะมันไม่ใช่อกุศลเั้นอเราไปดูมันมันไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเราเห็นว่าทําไมเพ่งมันโลบมันอยากดูที่อยากได้นะมันก็ดับเลยครับแต่ถ้ามันแพงอยู่เนี่ยทาใจสบายๆลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อน ถ้ามันเพ่งมากนะลืมคำว่าปฏิบัติไปเลยแล้วรู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นเอาใหม่หคล้ายๆมากตานี้เล่นยากไม่ต้องไปนั่งแก้นะหาเรื่องล้มกระดานมันไปเลยได้ครับมาเดินให้ดูหน่อยสิไปนสุดท้ายครานี้อย่าไปเพ่งเหมนอนยังกดอยู่นะนี่ไปคิดจะ้รู้เอา เอาใหม่นะทีนี้แทนที่จะเดินอย่างนี้นะไปเดินกวาดวัดซะนะนะได้จะดีขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> เดินถูกหลักแต่ว่ามันเพ่งนะเดินถูกหลักแล้วละแต่ว่ามันเพ่งจนชินเพราะงั้นแทนที่จะมาเดินอย่างนี้แล้วเพ่งอยู่นะไปกวาดวัดไปไปหางานทำไปถามอาจารย์ว่าจะใช้ทาอะไรบ้างแล้วก็ทำงานไปทั้งวันเลยให้มันเหนื่อยเลยให้มันเข็ดไปเลย มันจะเลิกเพ่งไปเองครับก็กลับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวพวกเราขนมมือนะครับตั้งติดตั้งใจพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพิธีกรจะกล่าวคนเดียวนะครับพวกเราก็น้อมใจตามครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อจงรับ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาล น, นานเทอร์นรับผ่อนนะยาถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาขาังเอวเมวะอิโตทินังเป ต, ตานังอุปกระปติอิชิตังปะทิตังตุมหังชิปะเมวะสมิชตุสะเพะปูเรนตตสังกปา จันโธปนรสอยาถานิโชติรสอยาถาสพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายโยกูภวะอภิวาตนาสีเลสนิตจังวทาป จ, จายโนจะตาโรธรมาวัฏันเตียโยวันโนสุขังพลังปจัยเทฐานหลวงพ่อตวไย้ถ้าอาจารย์สมชายนะเนี่ยท่าน เอาส่อมวัดสร้างวัดในวัดท่านพายุพัดบ่อยก็นะ <laughs> พวกเรากราบหลวงพ่อพร้อมกันครับ